นี้ก็บอกว่าในข้อต่อไปข้อ281หน้า288เนี่ยพระพุทธเจ้าข่มอริ tha ภิกษุด้วยโอาวาทตามที่กล่าวแล้วเนี่ยน ะ, ะข้อความในอัลคัตูปมสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดยกตัวอย่างเปรียบเทียบโอปมาข่มคนเดียวข่มอริ tha ภิกษุเนี่ยนะข่มผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลถือว่ากามไม่มีโทษเนี่ยนะถืออะไรถือตามมาสุขาริการุโยกว่าไม่มีโทษซึ่งพระองค์บอกว่า มีโทษเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรที่มิจฉาทิฏฐิของอริ tha ภิกษุเกิดจากศึกษาธรรมะที่ผิดพลาดเกิดจากเรียนการเรียนคําสอนของพระองค์ผิดพลาดเนี่ยนะเข้าใจผิดแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้ผิดผิดพระองค์ก็แก้ว่าอย่าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้เพื่อที่จะกล่าวต่อไปว่าใครก็ตามที่ยึดถือว่ายึดถือขันห่าว่าเราว่าของเรา ยึดถือด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิคนนั้นก็ชื่อว่าใสโครนหรืออยากยื้อลงในาศาสนาของเราเหมือนอริธาภิกษุเหมือนกันคราวนี้นะเอาไปเอามาแม้เราไม่ใช่อริธาหรอกเอาไปเอามาก็โดนเหมือนกันนะนะโดนว่าไงใครที่ยึดถือขันห่าว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิคนเหล่า น, นี้ก็ใส่อยากยื้อลงในาศาสนาของพระองค์เหมือนกันเอาก็เช่ใช่ไหมอ่ะเอาถ้ามานะเป็นเป็นคําสอนพระตัวเจ้าไหมไม่เป็น ทิฏฐิเป็นคำสอนไหมไม่เป็นตัญหามานะทิฏฐิแต่และอย่างเป็นคำสอนไหมไม่เป็นเมื่อไม่เป็นนั้นจะเป็นอะไรก็เป็นขยะเท่านั้นน่ะถ้าใครคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าใส่ขยะอยากเยื่อลงในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นในข้อ281ริพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภุกษสูตทั้งหลายเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิหกประการเหล่านี้เหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิหประการเป็นไง ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้สดับอะไรไม่ได้ฟังอริยสัจเลยผู้ไม่ได้สดับคือไม่ฟังอริยสัจเลยไม่เห็นพระอริยะก็คือไม่เห็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งหรืออารมณ์ที่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมคือสมถาวิปัสสนาของพระอริยะไม่ได้รับเวไนไม่ได้รับคำแนะนำคือทั้งสังวรวิไนปหานวินัยในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัตบุรุษคือพระอรยิยะไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุตรคือพระอรยิยะไม่ได้รับคําแนะนําคือไม่ได้รับแนะนําให้มีประทางเข้าวินยัยประหานาวินัยในธรรมของพระอรยิยะหรือธรรมของศัตบุรุษสรุปว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะไม่เข้าใจเลยว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรพระ na, พระุทธเจ้าแนะนําอะไรไม่ม um right ีความรู้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นก็ตามเห็นรูปว่าพิจารณาเห็นรูปเนี่ยพิจารณาตัวนี้เป็นทิฏฐิสมุปัสนาพิจารณาด้วยมิจฉาทิฏฐิในรูปนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นอัตตาของเราหรือว่าทิฏฐิสมุปัสนาตันหาสมุปัสนาหรือว่ามานะสมุปัสนาตามเห็นรูปคือรูปขันเนี่ยนะว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็น อัตตาของเราเห็นว่าของเราด้วยตันหาเราเป็นนั่นด้วยอำนาจมานะนั่นเป็นอัตตาของเราด้วยอำนาจทิฏฐิอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งที่ตามเห็นรูปว่านั่นตามเห็นรูปด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราด้วยตันหามานะและทิฏฐิย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราด้วยอำนาจ ตัณหามา n a พิฐิย่อมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราด้วยอำนาจตัณหามา n ะและทิฐิย่อมพิจารณาเห็นทิศฐังคือสีรูปารมณ์สุตังเสียงที่ได้ฟังนนะกลิ่นรสโพตภะคือมุตังที่ได้ทราบแล้วก็วิญญาตังสิ่งที่รู้ด้วยความคิดทั้งหมดเนี่ยนะอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจ คืออารมณ์ทุกทวารอารมณ์ทั้ง6ในทวารหว่าเป็นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิอันนี้ได้5ข้อแล้วใช่ไหมข้อหนึ่งรูป2เวทนาสสัญญาสสังขาร5ท้ทิทฐังสุตังมูตังวิญญาตังห ย่อมพิจารณาเห็นเหตุแห่งทิฐิว่านั่นนั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีเหตุแห่งความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นวันนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอันนี้เป็นอะไรเป็นสัสตทิฐิโ อ, อตายแล้วเที่ยงไงตายแล้วเที่ยงดำรงมั่นอยู่ด้วยความเที่ยงอัตตาใน ปรโลกมีอยู่หข้อคือยึดอันนะข้อสุดท้ายก็คือสัจสตทิฏฐินั่นเองนะข้อแรกรูปเห็นรูปว่าด้วยอำนาจตัณหามาณทิฏฐิอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิข้อ1 น, นะสเห็นเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิสสัญญาสี่สังขารห้าทิทั้งสุตังมุตั ง, ตงวิญญาตังหเหตุของทิฏฐิคือสัจสตทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะ อันนี้เรียกว่าอะไรเหตุของทิฏฐิหกประการส่วนอริยาสาวกเมื่อกี้นี้เป็นวัตตะนะเทววิวัตตะล่ะพิสูุทั้งหลายในหน้า289 8พิสูจทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนําดีแล้วในธรรมของพระอรยิยะเห็นสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษได้รับแนะนําดีแล้วในธรรมของ สัตบุตรแปลว่าฟังอริยสัจเข้าใจอริยสัจเป็นอย่างดีงนะมีความรู้มีความเข้าใจในทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเป็นอย่างดีเข้าใจว่าทุกขสัจจะคืออะไรอุปาทานขันห้าเป็นเป็นอริยสัจอุปาทานขันห้าเป็นทุกขสัจจะทีนี้ทุกขสัจจะเนี่ยนะเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิก็ได้ ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะทุกขสัตว์คืออุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะเละทิฏฐิแต่พระเรียเจ้าทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอนุปัสนาเนี่ยนะคือต่างกันอย่างนี้ว่าปุถุชนนั้นเจริญตันหามานะทิฏฐิในขันห้าพระเริยจทั้งหลายเจริญอ น, อนุปัสนาในขันห้า เมื่อกี้บอกว่าพวกปุตุชนเนี่ยนะพวกปุตตชนที่ไม่รู้อริยสัจไม่เข้าใจอริยสัจไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอริยสัจทั้งหลายพวกนี้จะตามเห็นขันห้าว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพระอริยะเจ้าในหน้า298บอกตรงข้ามมดเลยส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นผู้เห็นพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะทั้งหลายได้รับแนะนําดีแล้วในธรรมของ พระอริยะเห็นสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษได้รับแนะนําดีแล้วในธรรมของสัตว์บุรุษพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาผู้นิจเรญอนุปัสสนาสามในในรูปปัจขันยอมพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วย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 อนัตตานุปัสนาอันนี้ก็ข้อความคล้ายๆกับที่เราสวดมนต์เมื่อเช้าะนะใช่ไหมสวดมนต์ทำทำทำสวดมนต์ทั้งวัดเช้าใช่ไหมว่าแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความตายความโศกความพิรัยรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ทั้งหมดนั้นก็คือขันห้าหนั่นแหละคือตัวทุกข์ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มีพระชนอยู่ก็แนะนําสาวกให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนั้นว่าไม่เที่ยงก็เท่ากับใช้คําว่านั่นไม่ใช่ของเราเนั่นไม่ใช่เราเป็นทุกข์เรานั่นไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตารูปเป็นทุกข์อยู่แล้วก็บอกอยู่แล้วทั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตา ย, ยานั้นก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นทุกข์ก็คือแนะนําอย่างนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะ พิจารณาเห็นที่ถังรูปที่เห็นสุตังเสียงที่ได้ฟังมุตังคือกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ที่ได้ทราบวิญญาตังอารมณ์ที่รู้แจ้งถึงแล้วสแสวงหาใคร่ครวญแล้วด้วยใจเนี่ยนะก็คืออารมณ์ของใจทุกชนิดต้องตามเห็นอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสนา แล้วก็พิจารณาเห็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันบอกว่าอะไรบอกด้วยอำนาจสัสะทิฏฐิว่านั่นโลกนั่นอัตาาอตาในประโลกคือว่านั่นโลกนั่นอัตตาในประโลกนี้ชาตินี้นี้ชาติหน้าเออเราในชาติหน้าเราในชาติหน้าเนี่ยจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีความปรไม่มีความเปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นว่า เห็นเห็นขันห้าเห็นมิจฉาทิฐิต่อไปว่าเป็นพระพระปุตุชนนี่เห็นเป็นอะไรนะปุทุชนเห็นว่านั่นของเราด้วยตัญหานั่นเราด้วยมานะนั่นอัตตาของเราด้วยทิฐิแต่พระเหลีเจ้าทั้งหลายตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตาานุปัสนา พระอริยสาวกนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้อริยสาวกตัวนั้นเป็นชื่อของพระขีณาสกถ้าอรหันผู้เจริญได้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ย่อมไม่สะดุง้งสะดุ้งนี้เป็นชื่อของตันหานะตสาวาทาวราวาอนาวาเสสาธีคาวาเยมหันตาวามชิมาเนี่ยนะที่เราสวดในรัตนาสูตรที่บอกผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงสะดุ้งตัวนั้นเป็นชื่อของสะดุ้งด้วยตันหาแปลว่าวันไหว ไม่หวั่นไหวพระอรหันต์นั้นน่ยนะผู้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาขันทุกชนิดแล้วว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาจนปัญญาดํารงมั่นระดับอรหัตผลปัญญาท่านก็จะไม่สะดุ้งในขันเหล่าใดไม่แต่ขันเดียวเมื่อไม่สะดุ้งในเพราะสิ่งที่มีอยู่ ไม่สะดุ้งในขันห้าเม้แต่ขันเดียวไม่มีขันเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งความสะดุ้งหรือหวั่นไหวสำหรับพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะในอัตถะฐานหน้า308เมื่อกี้ที่บอกว่าผู้ที่ยึดถือขันห้าว่าเราว่าของเราเนี่ยนะด้วยอำนาจตันหามานะที่ิผู้นั้นก็ชื่อว่าใสโครนหรือขยะอยากเยื่อลงในศาสนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ทิฏฐิฐานนเนี่ยนะทิฏฐิทิฏฐิฐานานี้ก็คือเหตุของทิฏฐิก็คือที่ตั้งของทิฏฐิอารมณ์ของทิฏฐิปัจจัยของทิฏฐิทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าทิฏฐิเหตุที่ตั้งของทิฏฐิยึดถือว่าของเราด้วยอำนาจตันหาคาหะว่าด้วยอำนาจอะไรตันหาใช่ไหมว่าเป็นเราเป็นนั่นก็มานะคาหะถือด้วยมานะยึดถือว่านั่นอัตตาของเราก็เป็นทิฏฐิคาหะด้วยอำนาจของทิฏฐิสรุปว่า มีสีเป็นอารมณ์ก็เจริญตัณหามานะและทิฏฐิมีเสียงเป็นอารมณ์ก็เจริญตัณหามานะทิฏฐิมีกลิน่นมีรสมีโพธาภาพเป็นอารมณ์เนี่ยนะจะอารมณ์ใดๆก็ช่างเถอะปุถุชนทั้งหลายเจริญตัณหามานะและทิฏฐิวิธีคิดง่ายๆว่า oh? นั่นของเรานั่นตัณหาเราเป็นนั่นมานะนั่นอัตตาของเราก็เป็นทิฏฐิเราเห็นแบบนี้ก็เห็นแบบพระพุทธเจ้าพาเห็นเห็นไหนมากกว่ากัน นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานะสาวกใครเอ่ยคิดอย่างเงี้ไง่ายเลยนะลูกศิษย์ใครเอ่ยเนาะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็นละกันนะนะส่วนอารมณ์ที่เหลือก็เหมือนกันเนี่ยนะทั้งหมดนี้กล่าวถึงอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหลาย ปกติแล้วคําว่าสมณุปัสสติเนี่ยนะสมณุปัสนาเนี่ยสมณุปัสนาแปลว่าการตามเห็นเนี่ยปกติตามเห็นสอย่างหน้าสาม้อสิบนับโลกกลางหน้าสมณุปัสนาแปลว่าการตามเห็นเนี่ยนะการตามเห็นมีอยู่สอย่างด้วยกันหนึ่งตัณหาสมณุปัสนาตามเห็นด้วยตัณหาสองมานะสมณุปัสนาตามเห็นด้วยมานะทิฏฐิสมณุปัสนาตามเห็นด้วยมิจฉาทิฏฐิญาณสมณุปัสนา ตามเห็นด้วยวิปาาัสนาญาณสมณะสมุปัสสนาสามข้อคือตันหามานะทิฏฐิอันนี้เป็นกันหะฝ่ายดำญาณนะสมุปัสสนาสุกะฝ่ายขาวเป็นฝ่ายกุศลส่วนสำหรับระารหันเนี่ยนะ้ารหันผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สะดุ้งในเพราะสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะอสตินะปริตสรตสติความว่าเมื่อไม่ยึดถือหรือเมื่อความยึดถือด้วยอานาจ ตันหามานะทิถิไม่มีเธอย่อมไม่สะดุ้งด้วยด้วยภัยแปล ว, ว่าความกลัวเลยนะเลิกผวาสักทีหนึ่งกลัวก็แบบวผวาเลิกผาว า, ห ร, า, วาหรือเลิกสะดุ้งด้วยอำนาจของตันหาสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงถึงพระขีณาสพผู้ไม่สะดุง้งเพราะความพินาศแห่งขันในภายในและก็จบเทศนาด้วยบทนี้มาครับว่าพระธรรมเนี่ยนะไม่มีร่างกายหรืออวัยวะอะไรตัวใดตัวหนึ่งในร่างกายของท่านที่จะเป็นที่ตั้งแห่ง ตันหามานะทิถิท่านจึงไม่สะดุง้งอย่าลืมว่าท่านกำจัดตันหามานะทิถิด้วยอะไรนะอริยมรรคแล้วเนี่ยนะอริยมรรคแล้ว